กรรมวาจา97ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อช น, นะนี้ถูกแต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ได้นิ่งเฉยทําสงฆ์ให้ลําบากถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงวิเหสักกกรรมแก่ภิกษุชื่อช น, นะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อช น, นะนี้ถูกแต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ ได้นิ่งเฉยทำสงให้ลำบากสงจึงลงวิเหสากกรรมแก่ภิกษุชื่อช น, นะถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุชื่อช น, นะถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงวิเสกกกรรมสงลงแก่ภิกษุชื่อช น, นะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้